บุ๊กทูเจ็ดสิบห้าเซปติงเเปเหตุผลบางประการเข้าขั้วพมาตูตเวียทําไมคุณไมมาคะกาเปีย jūs nenākat? อากาศแย่มาก Like's ir t i ิ s, ā, pro, r, ē, <S ku, iks, l i k, ts, l k t ดิฉันไม่มาเพราะอากาศแย่มากเอ u เน i k กูโยอิรต s l ส์ล s ก a ์ไลทำไมเขาถึงไม่มาคะก็เป็นสวิงช์เนาะเขาไม่ได้รับเชิญสวิงช์น่า เขาไม่มาเพราะเขาไม่ได้รับเชิญวิ่ชนักยวน้ำหัวใจนักทำไมคุณไม่มาคะก็เปิดตุนในน็ดิฉันไม่มีเวลามันนะลอยกะดีฉันไม่มาเพราะไม่มีเวลา e อ n e n น k u ุ o man n a ั l a i า a ทำไมคุณไม่อยู่ต่อล่ะคะคา p ปตส์ดูเน a เลียสดิฉันยังต้องทำงานค่ะมันเวลยาสตราดาดิฉันไม่อยู่ต่อเพราะต้องทำงานค่ะเอสเนปเลียสคุกอยู่เยาตร ทำไมคุณจะไปแล้วล่ะคะก็ไปชิวเฉียวไอเซยตดิฉันเหนื่อยคะ่ะอ no ิสเอสมุนกุรุดิฉันจะไปเพราะเหนื่อยคะ่ะอิสไอเซยวยูเอสมุนกุรุทำไมคุณจะไปแล้วล่ะคะก็ไปชิวเฉียวไอสบราวดต